เรื่องภิกษุเป็นไข้473สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข่ยอยู่กรุงโกสัมพีพวกญาติส่งทูตไปสํานักของภิกษุนั้นให้แจ้งข่าวว่านิมนต์พระคุณท่านมาเถิดพวกเราจะอุปถากภิกษุทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านไปเถิดพวกญาติจะอุปถากท่านเองภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสีกขาบทไว้ว่า ภิกษุไม่พึงอยู่ประสจากไตรจีวรกระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้กระผมจะไม่ไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ